วันเวลาผ่านไปอีกหนึ่งอสงไขยเพิ่งพบพระพุทธเจ้าโกนธัญญวันเวลาผ่านไปก็พบพระพุทธเจ้าอีกสมองค์หรือสี่องค์ะนะพระมังคล ะ, ะพระพุทธเจ้ามังคละโสพิตะสมณ ะ, ะและเรวตะะนะก็แล้วก็วันเวลาก็ผ่านไปเลยมาจนถึงสมัยพระพุทธเจ้าะนะอนโนมทาทศี วันเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานพบพระพุทธเจ้าพระนามว่าปฐุมะเนี่ยนะปฐุมพระพุทธเจ้าปฐุมส่วนปฐุมอัปทุมุตระนี่องค์ข้างหน้าต่อไปมีปฐุมะกับปทุมุตระมีสององค์พระพุทธเจ้าพระนามว่าปฐุมะนั้นมีเมื่อสมัยมนุษย์อายุเออขออภัาายมีสมัยไหนมีสมัยเมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกลับที่แล้วนะเมื่อหนึ่งอสงไขย แสนกับนับจากพระตะกับนี้ไปมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองค์คืออนุมัติสีปทุมะและพระนารท ะ, ะพระพุทธเจ้าอนุมัตสีเป็นผู้พยากรณ์พระสารีบทพระโมคขลานะว่าจะเป็นอัครสาวกส่วนเมื่อวานได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าปทุมะนะวันนี้มาขึ้นพระพุทธเจ้านารทะนะซึ่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นกว่าจะได้บำเพ็ญบารมีจะเต็มเตี่ยม สมบูรณ์เนี่ยนะสร้างบารมีใครว่าทาบุญทุกอย่างตั้งความปรารถนาไว้อย่างชัดเจนทําโดยไม่เลอะเลือนและหลงลืมเนี่ยขนาดนั้นก็ใช้เวลาเนิ่นนานมากเมื่อได้ตรัสรู้เนี่ยนะการตรัสรู้ของพระองค์ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์มนันการที่เราได้ศึกษาพุทธวงก็ศึกษาเพื่อจะได้ บูชาบุคคลที่ควรบูชาได้บูชาพระธรรมที่นำออกจากทุกข์และก็บูชาพระอริยาสาวกเหล่านั้นทั้งมวลเนี่ยนะในวงของพระนารทะพุทธเจ้าที่เก้าหน้า439กข้อ10กล่าวว่าต่อจากสมัยพระพุทธเจ้าปฐมพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าปฐมเนี่ยนะ พระสัมพุทธเจ้าพระนามว่านาระผู้เป็นยอดแห่งสัตว์สองเท้าไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้เปรียบก็เกิดขึ้นนะผู้เป็นยอดแห่งสัตว์สองเท้าอันนี้ก็เป็นคำยกย่องว่าในบรรดาสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สเท้านะสัตว์ที่มีสัญญาก็ตามไม่มีสัญญาก็ตามเนวะสัญญาณาสัญญายกก็ตามพระองค์เป็นยอดหมายความว่าเป็นผู้เจริญที่สุดใน สัตว์เหล่านั้นมันในบรรดาศัตว์ทุกชนิดเอามาไม่มีผู้ใดมีคุณธรรมเสมอเช่นกับพระองค์ในยุคเดียวกันในยุคเดียวกันเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีสัตว์เหล่าใดเสมอกับพระองค์เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องเอาสัพพสัตว์ทั้งหลายในทั้งหมดอะนะมาเปรียบกับพระองค์เพราะพระองค์ไม่มีผู้เปรียบนะผู้ทรงคุณเช่นนั้นก็เกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น เป็นพระเชษฐโอรสที่น่าเอนดูของพระเจ้าจักรพรรดิทรงสวมอาภร์มีมณีเสด็จเข้าไปยังพระราชวุทยานนะเป็นมีพระโพธิสัตว์พระองค์เนี้ยเพิ่งได้ยินว่าเป็นโอรสของพระเจ้าจักรพรรดินะพ่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่แล้วงั้นน่ยพุทธบิดานะพุทธบิดาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่แล้วนะลูกชายพระเจ้าจักรพรรดิออกบวชเป็นพระพุทธเจ้านี่ไม่ธรรมดาเหมือนนะ รปกติเนี่ยจะต้องสืบทอดตำแหน่งต่อจากพระผบิดาใช่ไหเป็นจักรพรรดิเหมือนกันกท่านก็ไม่เอาเพผละะ น, นก็สวมอาพรมีแก้วมณีแต่งตัวอย่างดีก็เข้าไปในพระราชอุทยานนั้นที่อุทยานนั้นก็มีต้นไม้ใหญ่ไพศาลงามสะอาดสะอ้านพอไปถึงต้นไม้นั้นแล้วก็ประทั บ, ทบนั่งภายใต้ต้นมหาสนะมหาสนะก็คือต้นอ้อยช้างใหญ่นี่นะ ก็ต้นอ้อยช้างเนี่ยพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นก็มีบรรลุที่ต้นอ้อยช้างเหมือนกันณที่นั้นยานอันประเสริญยานที่ไม่มีที่สุดเป็นยานที่คมดุดเพชรเนี่ยนะดุดวชิระเนี่ยนะวชิระก็คือเพชรเป็นยานที่เกิดเกิดขึ้นนะยานที่ประเสริฐไม่มีที่สุดคมดุดเพชรก็เกิดขึ้น ญาณอันนี้เรียกว่าวาชัชระยานพิจารณาอะไรพิจารณาความเกิดและความดับแห่งสังขารทั้งหลายด้วยอาการ50นะนะพิจารณายานานั้นด้วยอาการ50เพราะพระญานนั้นพิจารณานะนี้ยกตัวอย่างขันห้าเกิดขึ้นว่าขันห้าเกิดโดยอาการ25ดับโดยอาการ25พิจารณาความเกิดและความดับแห่งสิ่งเหล่านี้ด้วยอาการ50นั่นเองวันความเกิดความดับด้วยอาการ50าสิล่านี้ อยากขยายออกมาดึงเรื่องให้มันยาวขึ้นก็เป็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะณที่นั้นพระองค์ก็กำจัดกิเลสทั้งหลายโดยไม่เหลือเลยแล้วบรรลุพระโพธิญาณและพระพุทธญาณทั้ง14สิ้นเชิงตรัสรู้โพธิญาณเนนีะ่ยนะญาณที่ดำรงภาวะในความเป็นพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นและพุทธญาณ14ก็เกิดขึ้น พุทธญาณ14ก็คืออาสาญ า, านในอริยสัจสี่ญาณในปฏิสัมพิทาสี่แล้วก็ในอาสาธารณญาณหนะอริยสัจ4ี่ปฏิสัมพิทา4อาสาธารณญาณหก็รวมเป็นพุทธญาณ14หลังจากที่บรรลุโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศพระธรรมจากอภิสมัยครั้งที่หนึ่งได้มีแก่สัตว์แสนโกดเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์บรรลุมากมาย พระมหามุนีทรงฝึก น, นะผู้ฝึกฝึกคำว่าฝึกเนี่ยฝึกฝึกด้วยสมถะและวิปัสนาฝึกด้วยการแสดงธรรมนะไม่ใช่ทรมานเอาซะกระดูกกระเดี่ยวเสียหายหมดไม่ใช่พระองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงฝึกพญานาคชื่อว่ามหาโทนะฝึกให้ก็ก็ด้วยการไปแสดงธรรมให้เขาฟังเนี่ยนะเมื่อทรงแสดงแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกพระองค์ก็ได้ทําปาฏิหาริย์ในครั้งนั้นครั้งที่พระองค์แสดงธรรม แล้วก็แสดงปาฏิหาริย์ในครั้งนั้นเทวดาและมนุษย์ประมาณ9 0 0 0 0มืนกวก็ข้ามพ้นความสงสัยทั้งปวงในการประกาศอริยสัจธรรมนั้นสมัยนั้นพระมหาวีระพระมหาวีระคือพระองค์ผู้กแกล้วกลา้าทรงโอวาทพระโอรสของพระองค์นะเพราะว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ยนะก่อนจะออกบวชก็ต้องมีบุตรก่อนต้องเห็นหน้าลูกก่อนเห็นครั้งแรกแล้วก็เห็นครั้งสุดท้ายด้วยนะแล้วก็ออกบวช เฉพาะตอนนั้นนะตอนหลังก็ลูกชายก็บวชตามนนะได้บวชตามพอบวชตามพระองค์ก็แสดงทำโอวาทสอนลูกชายหรือว่าพุทธโอรสในสมัยครั้งที่3ก็มีสัตว์แ0 0หม่นโกดถ้าถามว่าของพระพุทธเจ้าของเราบรรลุเท่าไหร่บรรลุหาประมาณไม่ได้นะพุทธเจ้าของเรานี้ตอนที่สดสอนพระราวน์นั้นบนรรลุหาประมาณไม่ได้ ท่านนารถาพุทธเจ้าพระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีสันนิบาตการประชุมสาวก3ครั้งครั้งที่1เป็นการประชุมแสนโกรธครั้งที่2ครั้งที่พระองค์ทรงประกาศพระพุทธคุณพร้อมทั้งเหตุนะหมายค่าว่าประกาศพระพุทธคุณเนี่ยนะพุทธคุณก็คือคุณะคุณเนี่ยนะประกาศคุณะคุณตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุทโธขยายเนื้อความรายละเอียดเกี่ยวกับพระยานเป็นต้นของพระองค์ แล้วก็แสดงถึงเหตุว่าเหตุเหล่าใดเนอทําให้พระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสรีระคุณทําเหตุอะไรมาจึงสมบูรณ์ด้วยพุทธคุณเป็นต้นนั้นแสดงพุทธคุณพร้อมทั้งเหตุคือปัจจัยก็มีผู้ที่ตรัสรู้นะสาวกเก0 0 0มืโกดผู้ไร้มนทีนก็ประชุมกันครั้งนั้นพญา น, นาคชื่อว่าเวโรจนะถวายทานแด่พระศาสดาพระชินบุตร8ล้านก็ประชุมกันสมัยนั้นพระโพธิสัตว์ของเรานะ เป็นอะไรเป็นชดินเป็นฤาษีผู้มีตบะเป็นผู้ตบะก็คือมีเดชสูงมากถึงอภินยาหแปลว่าได้สมาบัตร8ด้วยได้รับอภินยาห้าสมาบัตแ8เป็นผู้ที่มีฤทธิ์เที่ยวไปในอากาศแม้ในครั้งนั้นเราก็เลีย้ยงดูคือพระโพธิสัตว์ก็ได้ทำบุญถวายทานแด่พระนารทพุทธเจ้า แล้ก็คือทําบุญถวายทานนะนะแต่ถ้าแปลตามศัพท์เลี้ยงดูไหนฟังแล้วก็ไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่นะเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าเออทั้งเลี้ยงทั้งดูก็แปลเอากันแล้วกันนะเลี้ยงด้วยดูด้วยเลี้ยงก็ให้อาหารใช่ไหมดูก็ดูด้วยเลื่อมใสนี่เรามาเขาเรียกว่าบํารุงเลยนะก็ทําบุญพุทธบูชานั่นแหละเพราะพระโพธิธศาสนาก็ทําบุญพุทธบูชา ในพระนารทะพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ที่ไม่มีผู้ใดเสมอคือพระพุทธเจ้าทุกองเนี่ยเสมอกันแต่ว่าไม่มีบุคคลอื่นที่จะไปเสมอกับพระองค์ก็เลี้ยงทําบุญกับพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระพระสงฆ์ทั้งบริวารชนให้อิ่มหําสําราญด้วยข้าวด้วยน้ําแล้วก็บูชาด้วยจันแดงังนะถวายด้วยเอาเอา แค่ว่าจันแดงเนี่ยนะสมัยพุทธ ก, กาลเาก็มีเ ป, เป็นเป็นเป็นแก่นไม้ชนิดหนึ่งคว่าไม้จันแดงแล้วก็เอาคุณสมบัติอันหนึ่งก็คือมาบดแล้วเป็นยาหยอดตาได้นะครั้งนั้นพระนารถพุทธเจ้าผู้นำโลกแม้พระองค์นั้นก็ทรงพยากรพระโพธิสัตว์ผู้เป็นฤาษีว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าในโลกในกลับที่หาประมาณไม่ได้นับแต่กลับนี้ไป แสดงว่าอีกนานแค่ไหนอีกหนึ่งอสงไขยแสนกับท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระองค์ก็พยากรณ์ว่าตถาคตตถาคตเนี่ยคือถ้าโดยสับนี่เขาเข้าใจเลยว่าผู้เสด็จมาเช่นกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนผู้จะเสด็จไปเช่นกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนเลยเรียกว่าตถาคตเนี่ยผู้มาอย่างนั้นผู้ไปเช่นนั้นผู้ตรัสรู้ลักษณะที่จริงที่ทองแท้ พระตถ า, าคตรพระองค์นั้นก็ออกพิเนศกรมออกบวชจากกรุงกบิลพัท์ที่น่ารื่นรมตั้งความเพียรธรรมทุกขกิริยากี่ปี6ปีพระตถ า, าคตป ร, ระทับนั่งณโครต้นอาชาปาลันิคโครอรับเข้ามาทุปายญาตนะิณที่นั้นแล้วก็เข้าไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาทุปายญาตนะิณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเสด็จดำเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ เสแล้พระองค์ก็เสด็จไปที่โคนโพพฤกแต่นั้นพระผู้มีพระยศใหญ่ทรงกระทําประทักษิณโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมตรัสรูณโคนโพพฤกษ์เชื่อต้นอัส t ถ a ต้นอัส tha ต้นโพใบแล้วก็พยากรณ์ได้อีกต่อไปว่าพระองค์จักมีพระพุทธมารดานามว่าพระนางมายาพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุทโธธนะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้จักมีพระนามว่า โคตมะพระองค์จะมีอักขระสาวกชื่อว่าโกริตะคือสารีบทพระโมคคลาสารีบุตรผู้ไม่มีอาสะวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นพระองค์มีอุปทาชื่อว่าพระอานันทาหรือพระอนอน์บัมรงพระชินเจ้าผู้นี้พระองค์ก็จะมีอักขระสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลว น, นาผู้ไม่มีอาสะวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่น โผพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอัศทะพระองค์จักมีอัคราอุปถากชื่อว่าจิตตะและหัตถาอลาวกะพระองค์จักมีอัคราอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตตราพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นจักมีพระชนมายุร้อยปีนะหมายว่าเกิดในยุคมนุษย์ร้อยปีะนะแต่ว่า พระ อ, องค์ดำรงอยู่4ใน5เนี่ยนะอยู่4ส่วน5ก็คือ80สิบปีนั่นเองเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพอได้รับฟังพระดำรัสพุทธพยากรณ์ของพระพุทธเจ้านารทะแล้วนะพอได้ฟังพระนาฏะพุทธเจ้าผู้ที่เรียกว่าไม่มีใครเสมอผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เทวดาและมนุษย์ฟังก็ดีใจปลื้มใจดีใจไปกับเขาด้วยว่าแมท่านผู้นี้จะเป็น พระพุทธเจ้าเรียกว่านอพุทธังกูลเป็นนอที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย น, นะเพราะว่าเพราะเมล็ดพันธ์แห่งความเป็นพระพุทธเจ้าและจะงโงกในที่สุดก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทั้งหมื่นโลกธาตุเทวดาก็พากันโหร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญเชลีนามัสการกล่าวว่า ถ้าว่าพวกเราพลาดคําสั่งสอนของพระโล ก, กนาถคือถ้าพลาดจากคําสอนไม่ได้ปฏิบัติแทงตลอดอริยสัจในาศาสนาพระนารถพุทธเจ้าพระองค์นี้ไซในอนาคตการขอพวกเราจงอขอพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้แล้วจะอยู่ต่อหน้าพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แล้ว มนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ําพลาดท่าน้ําข้างหน้าก็ถือเอาท่าน้ําข้างหลังข้ามแม่น้ําใหญ่ฉันใดพวกเราทั้งหมดถ้าหากว่าพลาดพ้นหรือผ่านพ้นจากชินะพุทธเจ้านาร ะ, ะพระองค์นี้ไซอนาคตพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าโคตมะพระองค์นี้ฉันนั้นเหมือนกันฝ่ายชเดินฤนะาษีเนี่ยนะฝ่ายฤาษีผู้มีฤทธิ์เนี่ยนะผู้ทําบุญอุปถัมภ์ พ, พระพุทธเจ้า พอได้ฟังพระดารัสของพระนาระทะพุทธเจ้าแล้วก็ร่าเริงดีใจมากนะอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดเพื่อบำเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์โอ้ดีใจมากที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะพอรู้ว่าตัวเองจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยิ่งดีใจเมื่อดีใจก็สร้างเหตุเพื่อให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยวดขึ้นไปอีกเนี่ยนะสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะนะ เสริมสร้างบารมีให้บริบูรณ์ในที่สุดก็บริบูรณ์ทีนี้พูดถึงเกี่ยวกับรายละเอียดพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะบ้างนะว่าสมัยนั้นพระองค์มีมีเหตุการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านารทะอะไรบ้างบอกว่านารทะพระนารทะสามมาสามพุทธเจ้าพระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีเมืองเป็นที่เกิดชื่อว่าเมืองทัน ญ, ญวดีสแสดงว่าเมืองนี้มีข้า เมีข้าวบางว่าข้าวปลาอาหารสมบูรณ์นะนะพระชนกชื่อว่าพระเจ้าสุเทวะนะพระพุทธบิดาชื่อว่าสุเทวะพระพุทธมา น, านานามว่าพระนางอนมาโปรงครองคารวะาวิสัยอยู่ 9,000 พันปีมีปราศาทชั้นเยี่ยมสามหลังชื่อว่าชิตะวิชิตะและอภิรามะมีสนมนารียหญิงฟ้อนรำที่ประดับกายงามประมาณ สี0 0นาพันนางพระอักขรามเมหีี พ, น า, พนามว่าวิวชิตเสนาพระโอรสพรนามว่านันทุตระพระผู้เป็นยอดบุรุษนารทะก็เห็นนิมิตสี่ประการคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เห็นนักบวชอันริงจริงก็เห็นลูกชายด้วยแหละเป็น5เสด็จอภินีสกรมโดยดำเนินด้วยพระบาท อนะอินทรีแก่กล้าบารมีแก่กล้ามากนะบำเพ็ญเพียรรวบรวมโพธิปักฉิยธรรมใช้เวลาจะให้สติดำรงมั่นอยู่ในสติประฐานจเจริญพชงเจวันตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระมหาวีระนาร ะ, ะผู้นำโลกผู้สงบหลังจากที่สเสวยวิมุติสุขผ่านไปเจสัปดาห์อันเท้ามหาพรหมก็อาราธนาพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจกักณทนันชยัยราชอุทยานอันสูงสุด าศาสนาของพระองค์ก็แพร่หลายมีสาวกเกิดขึ้นอัคารสาวกผู้เลิศของพระองค์ชื่อว่าพัทธสาระและพระชิตตมิตะพระพุทธอุปถาคชื่อว่าวาเสธะพระอัคารสาวิกาชื่อว่าพระอุตตราและพระพคุณีโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระองค์เรียกว่าต้นมหาโสนอ้อยช้างใหญ่อัคารอุปถาคชื่อว่าอุครินทะและวัสสอัคารอุปถายิกาชื่อว่า อินทวรีและคันดีเนี่ยนะพระมหามุนีพระองค์มีพระวรากายสูงแปดสิบบศอกเช่นเดียวกับรูปปฏิมาทองคือ ด, ดูดูไม่น่าเกลียดนะเราเหมือนพระพุทธรูปทองคำาหมืงั่นหมื่นโลกาธาตุก็สว่างเจิดจ้าจริงๆถ้าผู้ที่มีร่างกายสมส่วนเนี่ยนะถึงจะใหญ่ยังไงก็ดูงาม น, นะนะใครเ ค, เคยดูพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆดูไกลยๆยังไงก็ดูงามเนี่ยนะถ้าใครที่เป็นนัก ติดตามชื่นชมพระพุทธรูปนะถ้าไปไร้ละแห่งเนะี่ยก็จะเห็นว่าพระพุทธรูปถึงจะองค์ใหญ่ก็ดูงามพระองค์มีรัศมีหนึ่งวาเล่นออกจากพระวรากายของพระองค์รัศมีก็เล่นไปทั้งทิศน้อยทิศใหญ่แผ่ไปประมาณยอหนึ่งทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีระหว่างทุกเมือ่อ สมัยนั้นชนบางพวกไม่ยังคบเพลิงและดวงประทีปให้ลุกโผลงไปรอบรอ บ, รอบยอหนึ่งเพราะพระพุทธรัศมีทั้งหลายครอบเอาไว้บอกว่าถ้าเวลาสำหรับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเมืองไหนเมืองนั้นไม่ต้องใช้ไฟนะเพราะว่าใช้รัศมีของพระพุทธเจ้าแทนแสดงว่าคนเนี่ยโอ้เจริญพูธานุสติกันได้มากนะเพราะว่าอยู่ไม่มีไม่มีไม่ต้องใช้ไฟอะ่ะมันสว่างหมดเลยอะ่ะด้วยรัศมีของพระพุทธเจ้า ศรัทธาในพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะมั่นคงกันมากเลยนะถ้าก็อย่างว่าชนเหล่าใดที่เห็นด้วยที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นก็พก้นโศกชนเหล่าใดได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นก็ตรัสรู้ธรรมอันผู้ที่มีบุญได้เกิดทันยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็านับว่าได้รับประโยชน์ได้รับสาระแท้เพราะได้เห็นด้วยได้ฟังด้วยแต่ยุคของพวกเราทั้งหลายก็มีโอกาสได้ ศึกษาคําสอนเนี่ยนเะหลือจดหมายจากพระพุทธเจ้าได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะเขียนฝากมาถึงรุ่นเลนล้นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะยีนะ้าชั่วคนมาแล้วก็ดูเอาว่าจะอ่านจดหมายพระพุทธเจ้าได้ขนาดไหนกันนะว่าอ่านได้วันละฉบับวันละฉบับก็ยังดีนะย ในยุคนั้นมนุษย์เนี่ยปกติมีอายุ9ก้าหมื่นปีพระนาระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อทรงมีพระชนยืนถึงเพียงนั้นก็ยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอเะสงสารนะก็เพราะว่ า, วาการดำรงอยู่ของพระพุทธเจ้าก็ดำรงอยู่เพื่อช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์เนี่ยนะเปรียบเหมือนว่าท้องฟ้างามวิจิตด้วยดวงดาวทั้งหลายฉันใดใครเคยเห็นดวงดาวยามค่าคืนเนี่ยนะ เพราะว่าคืนเดือนเม็ดคืนเดือนมืดที่ไม่มีเมฆมีหมอกจะเห็นดวงดาวมากมายฉันใดพระศาสนาของพระองค์ก็งดงามด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันเพราะว่าถ้าเปรียบว่าพระพุทธเจ้าเช่นกับดวงอาทิตย์พระอรหันต์ทั้งหลายก็เช่นกับดวงดาวหรือว่าพระพุทธเจ้าเช่นกับดวงจันทร์สาวกทั้งหลายก็เช่นกับดวงดาวเท่านั้นเนี่ยนะเรียกว่าความสว่างห่างกันมาก สาวกทั้งหลายถึงจะอยู่เป็นแค่ว่ า, วานั่งแผ่นดินทั้งแผ่นดินที่เป็นสาวกอย่างไรก็เปรียบเทียบไม่ได้เศษเสี้ยวเดียวของพระพุทธเจ้าเพราะห่างกันมากเหมือนอย่างว่ามเมล็ดพันธุ์ ก, กาศจะมีกี่ล้านเม็ดก็ช่างเถอะยังไงก็เทียบกับขุนเขาสินิรุไม่ได้ น, น, นพ่นะผ้อรหันทั้งหลายก็เช่นกับมเมล็ดพันธุ์พกาศถ้าเทียบกับพระอารหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งห่างกันมากเพราะว่า พระอาหารหันตธรรมดาทั่วไปนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้นับถือสาวกว่าเป็นสารณะแต่สาวกทั้งหลายนับถือพระองค์ว่าเป็นสารณะพระคุณจึงห่างกันมากแต่ว่าอันนี้เปรียบไม่ได้มากดให้ต่ำแต่หมายความว่าถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะถ้าเปรียบกับปุถุชนทั้งหลายอย่างที่ว่าให้ทานแกปุถุชนทั่วไปเนี่ยนะ ถึงจะให้ทานแก่คนทั้งโลกถ้าเทียบกับทำบุญกับผ้าอหารครั้งเดียวนี่ห่างกันมาก